ผู้มีส่วนและไม่มีส่วนแห่งสามัญญผลบุคคลแม้จะกล่าวทำที่มีประโยชน์ได้มากแต่ไม่ได้ประพฤติตามธรรมนั้นก็จัดว่าเป็นผู้ประมาทย่อมไม่มีส่วนแห่งสามัญญผลเหมือนคนรับจ้างเลี้ยงโคคอยนับโคให้คนอื่นไม่ได้ดื่มปันจากโค ร, รถฝ่ายบุคคลแม้จะกล่าวทำ ท, ที่มีประโยชน์ได้น้อยแต่เป็นผู้ประพฤติตามธรรมละราคะโทสะและโมหะได้เป็นผู้รอบครอบ มีจิตหลุดพ้นได้ดีไม่ยึดมั่นถือมั่นทั้งในโลกนี้และโลกอื่นย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งสามัญญผลอธิบายความสามัญญผลแปลตามตัวอักษรว่าผลแห่งความเป็นสมณะอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในสามัญญผลสูตรอันมีตั้งแต่ผลเบื้องต่ําเช่นเคยเป็นธาตก็พ้นจากธาตจนถึงผลขั้นสูงคือหลุดพ้นจากอาสวะทั้งมวลมองอีกปรรยายหนึ่งตีความให้ใช้ได้ทั่วไปทั้งบรนบชิตและเครือขัด สามัญจะผลอาจหมายถึงผลแห่งความรู้คือไม่รู้เสียเปล่านําเอาความรู้นั้นมาใช้ประโยชน์มาปฏิบัติตามให้เกิดความดีงามขึ้นในตนไม่ใช่เพียงแต่รู้ทำกล่าวทำแต่ไม่ประพฤติทำคนที่รู้ทำกล่าวทำแต่ไม่ประพฤติทำนั้นทรงเปรียบเหมือนคนรับจ้างเลี้ยงโครุร่งขึ้นก็รับโคไปเลี้ยงเย็นลงก็นับโคส่งแต่ไม่ได้กินนมโคเมื่อใดอะไรจากโคนอกจากค่าเลี้ยงประจำวันเทียบกับผู้รู้มากแสดงทําได้มาก มีสิทธิ์มากผลที่เขาได้รับก็คือปัจจัยสี่ความเคารพนับถือจากสิทธิแต่ไม่ได้สมาธิแล ะ, และวิปัสสนาอย่างนี้ท่านว่ายังประมาทอยู่ส่วนบางท่านรู้ธรรมน้อยกล่าวธรรมได้น้อยแต่ปฏิบัติตามธรรมได้มากสามารถละกิเลสอันละได้ยากคือราคะโทสะและโมหะจิตหลดพ้นด้วยดีไม่มีความยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้ท่านว่าได้เป็นผู้มีส่วนแห่งสามัญญผลได้รับผลแห่งความเป็นสมณะ จุดใหญ่ใจความก็คือให้ปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่เพศภูมิของตนของตนเพื่อมิให้ความรู้และการเรียนเสียเปล่าอีกในหนึ่งให้ได้คุ้มค่าดังเรื่องต่อไปนี้เรื่องภิกษุสองสหายชายสองคนชาวเมืองสาวัตถีฟังพระธรรมของพระศาสดาแล้วเกิดความเดินสใสออกบวชพร้อมกันอยู่ในสำนักอุปชัยยะอาจารย์ห้ารรษาแล้วรูปหนึ่งเรียนกรรมฐานออกป่าซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า วิปัสสกภิกษุส่วนอีกรูปหนึ่งพอใจเรียนปริยัตหรือคันธทุระซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่าคันธิกะภิกษุพระวิปัสสกะพยายามอยู่ไม่นานก็ได้บรรลุพระอรหัตตผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายส่วนพระคันธิกะเรียนพระตาบิดกจนแตกฉานได้เป็นอาจารย์ของภิกษุประมาณห้าร้อยเป็นอาจารย์ของคณะถึงสิบแปดคณะรวมกว่าว่าเป็นคณะาจาร ย, าย์ใหญ่ภิกษุเป็นอันมาก เรียนกรรมฐานในสนาพระศาสดาแล้วไปสู่สนาของพระวิปัสสกะสมัครตนเป็นสิทธิ์ของท่านอยู่บำเพ็ญวิปัสนาไม่นานก็ไดส้สำเร็จอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นมีความประสงค์จะเฝ้าพระศาสดาจึงเรียนท่านว่ากระผมทั้งหลายใคร่ไปเฝ้าพระศาสดาไปเถิดท่านภูมิอายุพระวิปัสสกะกล่าวท่านทั้งหลายจงถวายบังคมพระศาสดาและนมัสกา ร, รพระสา ว, วกผู้ใหญ่80ดสิบรูป ในานามของเราด้วยหนึ่งมีภิกษุผู้เป็นสหายของเราอยู่รูปหนึ่งท่านทั้งหลายจงนมัส ก, การภิกษุนั้นในานามของเราด้วยภิกษุเหล่านั้นไปถวายบังคมพระาศาสดาพระอสีติมหาสาวกและภิกษุผู้เป็นสหายของอาจารย์ตามลำดับใครคืออาจารย์ของพวกท่านพระคันธิกะภิกษุถามภิกษุผู้สหายของท่านที่บวชพร้อมกันภิกษุทั้งหลายตอบเมื่อภิกษุทั้งหลายเดินทางมาเชตาบนาราม วิปัสสกภิกษุได้ส่งขามาเยี่ยมเยียนภิกษุผู้เสหายหนึ่งๆจนภิกษุผู้สหายประหลาดใจว่าสหายของเราบวชแล้วเข้าป่ามันได้เรียนพระไตรปิฎกเลยไม่รู้ทำอะไรมากยังสามารถมีสิทธิ์ได้มากมายถึงป่านนี้เมื่อท่านมาเฝ้าพระาศาสดาเราจะถามปัญหาดูต่อมาวิปัสสกภิกษุมาเฝ้าพระาศาสดาเก็บบาชาจีวรไว้ในสำนักของพระคันธิกะเมื่อเฝ้าพระาศาสดาและนมสการ พระอสิติมหาสาวกเสร็จก็มาพักที่สำนักของพระคันธิกะผู้สหายพระคันธิกะให้สิทธิของตนปฏิบัติพระวิปัสสกะแล้วนั่งบนอาสนะเสมอกันตั้งใจจะถามปัญหาพระศาสดาทรงทราบเหตุการณ์นั้นด้วยพระยานทรงดําริว่าคันธิกะภิกษุจะพึงตกนรกเพราะเบียดเบียนพระวิปัสสกภิกษุดังนี้แล้วทรงอาศัยเมตตานุเคราะห์ในคันธิกะภิกษุนั้นจึงทรง กระทำประหนึ่งว่าเสด็จเที่ยวจาริกในวิหารมาถึงสำนักของคันธิกะภิกษุแล้วประทับนั่งบนอาสนะแล้วตรัสถามปัญหาหลายอย่างเริ่มต้นแต่ปัญหาเกี่ยวกับปฐมฌานแก่คันธิกะภิกษุไปจนถึงปัญหาในรูปสมาบัติและอารูปสมาบัติแต่ภิกษุนั้นตอบไม่ได้เลยสักปัญหาเดียวเมื่อทรงถามปัญหาวิปัสสกภิกษุท่านตอบได้ ส่งถามปัญหาเกี่ยวกับโสดาปฏิมร์จนถึงอรหัตผลคันติกะภิกษุตอบไม่ได้แต่วิปสัสสกภิกษุตอบได้พระาศาสดาทรงประธานสาธุการแก่วิปสัสสกภิกษุนั้นพวกเทวดาก็ช่วยกันสาธุการด้วยพวกสัตว์ที่วิหาริกอันเตวาสิก ข, ของพระคันติกาตำหนิพระาศาสดาว่าทรงประธานสาธุการแก่พระเถระแก่ซึ่งไม่รู้อะไรส่วนอาจารย์ของพวกตนพระาศาสดาไม่ทรงกระทํา แม้สักว่าการชมเชยสรนเสริญอาจารย์ของพวกตนเป็นอาจารย์ของภิกษุถึงห้าร้อยพระศาสนาจึงว่าภิกษุทั้งหลายอาจารย์ของพวกเธอเป็นเหมือนคนเลี้ยงโคได้เพียงข่าจ้าในศาสนาของเราส่วนวิปสัสสกภิกษุบุตรของเราเป็นเหมือนเจ้าของโคได้บริโภคแล้วซึ่งปัญจโข ร, รถตามชอบใจของตนปัญจโข ร, รถคือรถอันเกิดแต่โคห้าอย่างคือ นมสดนมสม้มเปรียงเนยใสเนยขน้นดังนี้แล้วตรัสต่อไปว่าบุคคลแม้จะกล่าวธรรมที่มีประโยชน์ได้มากแต่มิได้ประพฤติธรรมนั้นก็จัดว่าเป็นผู้ประมาทย่อมไม่มีส่วนแห่งสามัญเผลเหมือนคนรับจ้างเลี้ยงโคคอยนับโคให้คนอื่นไม่ได้ดื่มปันจโครสฝ่ายบุคคลแม้จะกล่าวธรรมที่มีประโยชน์ได้น้อยแต่เป็นผู้ประพฤติธรรม ละราคาโทสะและโมหะได้เป็นผู้รอบรู้มีจิตหลุดพ้นดยดีมายึดมั่นถือมั่นในโลกนี้และในโลกอื่นย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งสามอัญพล